ไฟอย่ากลัวฝนพราตะวันสกาวความทุกข์จะคลายปัญหาคือยาวิเศษรู้จักสังเกตปัญหาจะหายไทยสามารถขีความดี ประกายพอน้ำมันลายความสุขจะคอือย่าวันอย่าไหวเมื่อใจ ฝนพราวตะวันสกาวความทุกข์จะคลายปัญหาคือยาวิเศษรู้จักสังเกตปัญหาจะหายไทยซ ผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรานำข่าวสารสาระน่ารู้มาพูดมามาคุยกันในช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลแห่งชาตินะครับเสนอโดยคุณพิชัยรัตะกุลอดิตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็มีหลายฝ่ายออกมาให้ความเห็นที่น่าสนใจอย่างเช่น นายมีชัยรุชุพันธ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูนก็ได้เปิดเผยเมื่อวันที่12กันยายนที่รัฐสภาบอกว่าข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งรัฐบาลแห่งชาติของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังยังไม่ทราบรายละเอียดนะแต่ว่าบทบัญญัติในในรัฐธรรมนูน2560เนี่ยนะครับก็ ไม่ได้มีการห้ามไว้คือรัฐธรรมนูญ 2,600 ก็ไม่ได้บัญญัติข้อห้ามแต่อย่างใดคือการจัดตั้งรัฐบาลก็ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากนะครับของของพรรคการเมืองหลังจากการเลือกตั้งก็จะตกลงกันนะครับนะว่าจะจะอย่างไรจะให้ใครมาเป็นรัฐบาลแห่งชาตินะครับจะมีฝ่ายค้านหรือไม่แต่ว่าก็มีข้อกาหนดว่าการที่จะเลือก บุคคลมาเป็นนายกงนตรีก็ต้องเป็นไปตามที่เอารัฐธรรมนูญกําหนดไว้ก็คือจะต้องมาจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีที่พักการเมืองเป็นผู้เสนอนะครับคือคือพักการเมืองเนี่ยจะจะส่งสมัครเนี่ยจะต้องมีการเสนอชื่อนายกงบตีไปด้วยนะครับนะนะก็ต้องมีต้องมีอยู่ในนั้นถึงจะมาเป็นนายกงบตีคือตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดส่วน นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็กล่าวบอกว่าแนวคิดการตั้งรัฐบาลแห่งชาติกเ็เป็นเรื่องของการเมืองทางสนชก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่าสนชนี่ก็มีหน้าที่ในการจัดทํากฎหมายเพื่อเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็บอกว่าส่วนตัวก็มองว่าแนวคิดรัฐบาลแห่งชาตินี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะก็จะต้องดู นะว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคือหลายฝ่ายเสนอบอกว่าก็ทุกคนมาร่วมมือกันนะครับในการที่จ ะ, ะพัฒนาชาติรวมกันไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลมีมีมีหลายฝนมองอย่างนั้นนะครับนะมองอย่างนั้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในหลายๆส่วนนี่นะครับมีความคลื่นหน้าเกี่ยวกับเรื่องของกสม นายแพทย์เจตศิวะารารนนท์โคศกกรรมธิการวิสามันของสอนชอวิบสอนชอก็บอกบอกว่าที่ประชุมวิบในวันที่14จะมีการประชุมวันที่14กันยายนจะพิจารณาร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะการรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสอมอตามที่คณะกรรมาการวิสามัญสามฝ่ายเสนอนะครับซึ่ง มีการโต้แย้งกันไปนะโดยเฉพาะแนวคิดที่จะเซตศูนยของของกสมเนี่ยนะครับนะก็ตรงนี้นี่ ก, ก็ก็บอกว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกระ บ, บวนการสรรหานะครับว่าจะต้องมีตัวแทนขององค์กรเอ ก, กชนด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาด้วยนะครับนะร่วมกับฝ่ายต่างๆนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนในส่วนของสอนชก็บอกว่าจะให้มีการเซตศูน กสม์นะเหมือนเหมือนกับที่ทํากับกกตแล้วครับนะซึ่งนะตรงนี้ต้องติดตามดูเป็นเป็นกฎหมายลูกนะครับเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับส่วนนายยงตรีพลเอกประยุทธ์เนีเปิดเผยเมื่อวันที่12กันยายนหลังการจาง ก, การประชุมคลรมอบอกว่านะความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการนําร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลกล่าก็บอกว่าตอนนี้มี2ฉบับที่ทูลกล่าเรียบร้อยแล้วคือ ร่างพรบคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ร่างพรบรพรรคการเมืองนะครับแล้วก็เหลืออีก2ฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งคือที่มาสอวอส อ, สอนี่ก็ยังยังไม่เสร็จนะก็ต้องรอนะคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าตนก็ไม่ได้ดึงเรื่องแต่ประการใดก็เป็นไปตามระบบนะฮะที่ที่มีการเสนอมานะครับแล้วเนความเป็นความคืบหน้าของของกฎหมายลูกที่กํลาลังทํากันอยู่เพราะว่า อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้ากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองก็ดีเกี่ยวกับเรื่องกรกตเกี่ยวกับเรื่องของสอส ส, สวเสร็จ เ, เนี่ยก็จะสามารถที่จะกําหนดนะ a d m มปนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งดินที่ได้ชัดเจนซึ่งหลายฝ่ายก็มองกันบอกว่าก็ประมาณปลายปีสองพายหกสิบเนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ แล้วหอเคียงออนยิงแอบอุ่นใจนอนแอนบน้าน สามไว้ได้รู้ว่ายังรักไห ม, มแม้วันและคืนเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ไม่แปรพัน ไฟขึ Samu. ดังจิตใจไฟหาคอยน้องคอยคอยพี่กลับมาลมที่โวยอ่อนไว้ดังจิตใจไฟหาคอยน้องคอยคอยพี่กลับมา มาพูดมาคุยกันต่อในช่วงนี้นี่มีการกระทรวงการคลังประกาศเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการคนจนนะครับนะซึ่งจากการเปิดเผยของนายสมชัยสัจพงประหลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ามีการตรวจสอบและประชาชนมายื่นขอเสนอเนี่ยผ่านคุณสมบัตินะได้บัตรสวัสดิการคนจนประมาณ11ล้านนะสี่ 0,000 คน ไม่ผ่านสองล้านเจแสนนะครับซึ่งเหตุผลที่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือมีทรัพย์สินที่ดินเกินที่กําหนดนะครับประมาณหนึ่งล้านหกแสนคนหรือว่ามีเงินฝากเกินกว่าแสนบาทจํานวนประมาณ 6, กแ00คนแล้วก็มีไรายได้เกินกว่า1น 0,000 บาทต่อปีอีกประมาณสี่0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นนี่พบว่ามีประชาคนที่มาแจ้งเนี่ยจบปีละเอกห้า้อคน นะครับ น, ะนี่จะเป็นการเปิดเผยของประหลัดกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชาวบ้านประชาชนที่มาแจ้งนะครับมาตรวจสอบคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่15กันยายนทัทง้งทางเว็บไซต์ก็ดีนะครับหรือ ว, ว่าสอบถามผ่านทางสายด่วนนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะัเช่น1359งของสำนักงานเศรษฐ ก, รรกิจการคลังก็ได้นะคอนเซนเตอร์ หรือว่าคอนเซนเตอรต์ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีมี ม, ม, ม, ม, มีว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้ามีการให้บัตรคนจนแล้วก็สามารถที่จะไปไปซื้อสินค้าได้เป็นเป็นบัตรเครดิตรูดสินค้าได้ซึ่งตรงนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนายสนธิรัตน์สนธิจีรวงลั่นตีช่วยพาณิชย์ก็ บ, บอกว่าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นะก็จะทำร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จะช่วยเหลือคนจนนะก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าปลีกนะที่เข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แห่งนะครับซึ่งส่งชื่อให้กับกรมบัญชีกลางแล้วนะครับก็จะติดตั้งเครื่องรูดบัตรนะนะไปรูดบัตรตามตามร้านโชวหวยเหล่านั้นนะครับก็ พยายามที่จะกระจายให้ครบตำบลละหนึ่งแห่งนะครับก็ประมาณ 8,000 แห่งนะครับก็ทำให้ทันในวันที่หนึ่งตุลาคมเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็สามารถที่จะไปไปไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเช่นปลากระป๋องหรือว่าพวกผงซักฟอกนะครับหรือพวกอาหารนะครับนะพวกเครื่องอุปกรณ์ อุปโภคบริโภคต่างๆพวกข้าวสารพวกอะไรต่างๆนี่ก็ก็สามารถที่จะไปไปลูดได้นะถ้าถ้ามีบัตรเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งแห่งรัฐนะครับนซึ่งก็เป็นการส่งเสริมนะครับส่งเสริมสวัสดิการก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อยากจะให้โครงการประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควนบุรี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 ไม่เคยจะเพลิดมมเพียวนาทีใจฉันยังมั่นคงต่อเธอคนนี้รักนั้นที่มีไม่เคยน้อยลงถึงมีเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา อย่ากัวให้เธอจงมั่นใจรักที่มากล้นขอเพียงเราสองคนไม่หลมทางใจจะมีแต่เราจะมีแค่เราจะเป็น เป็นเช่นลมหายใจคูกพันมีกันและกันตลอดไปรอใจยังไงก็ยังรักเธอ ส, สมัเสมอรักเธอไม่เสื่อมคลายเธอถามด้วยสายตา มากมายแค่ไหนตอบด้วยใจวันไหนฉันก็รักเธอ ลมหาย ใ, ใจคูกพันมีกันและกันตลอดไปรอใจยังไงก็ยังรักเธอสมัเสมอรักเธอไม่เสื่อมคลายเธอถามด้วยสายตา ม, มาก แค่ไหนตอบด้วยใจวันไหนฉันก็ราเธอตอบด้วยใจวันในไหนฉันก็ราเธอ นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอ